ถึงตอนนี้ความสุขสูงสุดที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ของบุคคลก็แผ่ขยายออกไปเป็นความสุขของมวลชนทั้งโลกตรงนี้ก็เหมือนกับว่าพุทธพจน์สาคัญว่าด้วยความสุขที่เป็นจุดหมายสูงสุด ข, ของการพัฒนาชีวิตกับพุทธพจน์สาคัญที่ว่าด้วยความสุขที่เป็นจุดหมายอันยิ่งใหญ่ของการบันเพ็นพุทธกิจมาประสานบรรจบและส่งต่อผลแก่กัน